ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวนะมีการหยุดติดต่อกันนะถึงสี่วันพวกเราก็ใช้ช่วงเวลาสี่วันนี้ในการมาที่วัดป่าสุกโตขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยนะก็เลือกที่จะไปที่อื่น เช่นไปเที่ยวไปแหล่งบันเทิงหรือว่าไปเที่ยวห้างจับจายใช้สอยบางคนก็อาจจะเดินทางไปเมือง น, นอกนะได้ไปเจอสิ่งแปลกใหม่แต่และคนก็ใช้ช่วงเวลา4วันนี้ต่างๆกันไป เรียกว่าคนละทิศคนละทางแต่ว่าถ้าพิจารณาให้ดีนะทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีจุดหมายเหมือนกันก็คือต้องการความสุขมันก็น่าคิดนะว่าจุดหมายเหมือนกันแต่ว่าไปกันคนละทิศคนละทางพวกเราเข้าวัด อีกหลายคนเข้าห้างหรือว่าเข้าโรงหนังอันที่มันแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรามองความสุขหรือว่าผลทางสู่ความสุขแตกต่างกันต้องการความสุขเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการแตกต่างกันนี่ถ้าพิจารณาดูให้ดีเนี่ย คนส่วนใหญ่หรือจะเรียกว่าวิธีชาวโลกก็ได้นะวิธีชาวโลกนี่เขามองความสุขว่าอย่างไรเขามองว่าจะเข้าถึงความสุขได้อย่างไรวิธีของชาวโลกก็จะมองว่าความสุขเกิดจากการมีเกิดจากการครอบครองคือยิ่ง มีเยอะมากเท่าไรหรือว่าได้เสพมากเท่าไรได้ครอบครองมากเท่าไรก็จะยิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นก็จึงพยายามที่จะมีเยอะๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์หรือว่าสิ่งเสพสิ่งบริโภคสมัยนี้ก็รวมถึงประสบการณ์ด้วยนะ มีประสบการณ์หมายถึงว่าได้ไปเห็นโน่นเห็นนี่ได้ไปเที่ยวที่โน่นทเที่ยวที่นี่ได้ไปดูฟุตบอล น, นะทีมระดับโลกมาแข่งเมืองไทยบัตรราคาแพงเท่าไหนก็ไปนะเพื่อให้ได้เสประสบการณ์ สามารถจะไปคุยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็เคยดูทีมแมนยูบ้างทีมหรือว่าพูบ้างทีมบาซ่ามงาแข่งด้วยตานะไม่ใช่ผ่านจออันนี้เป็นวิธีของชาวโลกนะก็คือว่าต้องมีเยอะๆต้องมีมากๆแต่มาพิจารณาดูให้ดีๆเนี่ย แค่มีอย่างเดียวก็ไม่ทำให้มีความสุขนะทำไมคนซึ่งมีเสื้อเป็นร้อยตัวมีรองเท้านะเป็นสิบสิบคู่หรือว่ามีแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีเนี่ยเป็นพันแผ่นเยอะมากมายขนาดนี้ ทำไมเขาจึงอยากจะได้อีกทำไมอยากจะได้เสื้อตัวใหม่ทำไมอยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่ทำไมถึงอยากจะได้ซีดีหรือดีวีดีแผ่นใหม่มีเป็นร้อยแต่ยังอยากจะได้อีกตัวหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งหรือทำไมคนซึ่งมีเงินเป็นร้อยล้าน แต่ทำไมเขายังอยากได้อีกแสนหนึ่งเขาได้แสนเขาได้สองแสนเขาก็มีความสุขทำไมเขาไม่หยุดสแสวงหาไม่หยุดซื้ออันนี้แสดงว่าการมีมากๆยังไม่ยังไม่ได้ให้ความสุขมันต้องได้มาใหม่ ถึงจะมีความสุขมันต่างกันนะระหว่างการมีกับการได้มีเท่าไหร่ก็ยังไม่มีความสุขนะจนกว่าจะได้ใหม่มีเยอะแค่ไหนก็ยังไม่มีความสุขถ้าไม่ได้ใหม่เลยมันจะเรียกว่าคนเราเนี่ยความสุขของคนเราวิถีของชาวโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าการ มีเยอะๆอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่ามันต้องได้ใหม่ด้วยถ้าไม่ได้ใหม่นี่ก็ไม่มีความสุขพูดอีย่างนึงคืว่าคนเราเนี่ยความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีนะแต่อยู่ที่การได้ที่จริงนะมันไม่ใช่แค่คนนะสัตว์มันก็เป็นนะอาตมาเวลาบินพะบาทเนี่ยบางทีก็มีหมาตามมา มันตามมาอยากได้ข้าวเหนียวก็โยนข้าวเหนียวให้มันกรำหนึง่งมันก็งับมันยังไม่ทันเคี้ยวจะมาโยนไปอีกแพี้ยอ อ, อีกกรำหนึ่งอีกก้อนหนึง่งปรากฏว่ามันคลายก้อนเก่าแล้วมันไปคาบก้อนใหม่มาทางหน้าที่ก็ก้อนก็เท่ากันนะแต่ทําไมมันทิ้งก้อนเก่า เพราะว่ามันอยากได้ก้อนใหม่อะไรที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีสเสน่ห์เท่ากับสิ่งที่เป็นของใหม่มีเสื้อกี่ร้อยตัวเสื้อเหล่านั้นก็ไม่ค่อยมีสเสน่ห์เท่าไหร่สเสน่ห์อยู่ที่เสื้อตัวใหม่ที่วางขายแล้วก็อยากได้ คนเรามีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะอยากได้เพิ่มอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเรียกได้ว่าความสุขของชาวโลกเนี่ยมนไม่ได้ที่การมีแต่วิธีการได้ใหม่ได้เพิ่มนะเราลองสังเกตดูนะในชีวิตของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะข้าของที่เรามีอยู่เยอะแยะ แต่มันก็พอได้มาแล้วก็เฉยๆแล้วจะมีความสุขก็ตั้งเมื่อได้ใหม่และนี่แหละคือทำให้คนเราเนี่ยไม่เคยหยุดไม่เคยพอสักทีมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเพราะว่าเอาความสุขไปผูกไว้กับของใหม่สิ่งใหม่ มีร้อยล้านก็ยังไม่พอก็อยากได้อีกมีพันล้านก็ยังไม่พออยากได้อีกเพราะความสุขอยู่ที่การได้ใหม่ไม่ใช่อยู่ที่การมีไอ้สิ่งที่มีถ้าเป็นของเก่าไปแล้วอันนี้บางทีอาจจะรวมถึงแฟนด้วยก็ได้นะบางคนก็ไม่ว่าจะได้แฟนที่สวยยังไรพออยู่กันไปนานๆก็ มันจืดจางแล้วก็อยากได้ใหม่ ท, ทั้งๆที่ไอของเดิมที่มีอยู่ก็อาจจะหลายคนลแต่ก็ไม่พออยากได้ใหม่เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าวิถีของชาวโลกเนี่ยความสุขอยู่ที่การได้ไม่ใช่แค่มีอันนี้มันต่างจากวิธีทางทำนะวิธีทางทำเนี่ย ความสุขเกิดจากการละเกิดจากการสละมันสวนทางกันเลยด้วยเหตุนี้เนี่ยพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเนี่ยรู้จักการให้ทานการให้ทานเนี่ยมันเป็นการสละที่ง่ายที่สุด ก็คือสละสิ่งที่อยู่นอกตัวแล้วเมื่อสละแล้วหรือบริจาคแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือความสุขเพาราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขเมื่อเราสละเมื่อเราให้ทานไม่ใช่แค่ผู้รับเท่านั้นที่มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขด้วย การให้ทานเนี่ยนะมันทำให้เรามีความสุขไม่ใช่เพียงเพราะว่าได้เห็นคนรับเขายิ้มแย้มจากสิ่งที่เราให้แต่ว่ามันยังช่วยลดความตนิลดความโลภด้วยก็เคยมีการทดลองนะให้เงินแก่นักศึกษาสองกลุ่ม กลุ่มแรกบอกว่าจะเอาเงินนี้เนี่ยไปเที่ยวที่ไหนก็ได้จะไปเที่ยวห้างดูหนังไปกินไอติมก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งก็ให้เงินเขาแล้วก็บอกว่าให้ลองคิดกันดูนะว่าจะเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือคนเดือดร้อนหรือช่วยให้ทําให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้อย่างไรเสร็จแล้วหลังจากที่ ทั้งสองกลุ่มได้ใช้เงินที่ได้มาเขาก็สอบถามความรู้สึกปนะรากฏว่ากลุ่มที่สองเนี่ยซึ่งเอาเงินเนี่ยไปทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมหรือให้กับคนที่เดือดร้อนที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยกลุ่มนี้เขามีความสุขมากกว่า ทั้งทั้งที่เงินที่เขามีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เสพใช้เที่ยวหรือว่าเอาเข้าตัวเลยเป็นเงินที่ใช้เพื่อสละออกไปแต่เขามีความสุขกว่านะอันนี้เนี่ยไม่ต้องใช้อ่อ ไม่ต้องเป็นคนนับถือศาสนาเป็นคนธรรมดาธรรมดาเขาก็จะรู้สึกได้ว่าการสละการบริจาคนะทรัพย์ที่มีที่ได้มาเนี่ยมันให้ความสุขได้มากกว่าเพราะนั้นการที่พุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรารู้จักให้ทานเนี่ยนะมัน เป็นบันไดขั้นต้นของการมีความสุขในคำสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิบ ป, ประการเนี่ยทานเนี่ยเป็นข้อต้นเลยเรียกว่าทานน้ำใหม่คือบุญที่เกิดจากการให้ทานหลักทศพิธราชธรรม10 ป, ประการก็เริ่มต้นที่ทานนะเพราะว่าทานเนี่ยมันเป็นการสร้างความสุขที่ทาได้ง่าย คือสละสิ่งของสละสิ่งนอกตัวความสุขยังเกิดจากการที่เราสละแรงกายนะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราช่วยเหลือคนที่ลำบากเนี่ยมันทําให้เกิดความสุขใจอันนี้มันเป็นความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่เราคิดว่าถ้าไปช่วยคนอื่นแล้วเนี่ย มันเหนื่อยเรามันเสียเวลาเราแต่ที่จริงแล้วมันได้ความสุขกลับมาคนคนจนํานวนไม่น้อยเลยที่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือว่ารู้สึกว่ามันอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวชีวิตนี้ไรคุณค่าพูดง่ายคือเซ็งเบื่อชีวิตหรือาบางทีรู้สึกแยกกับชีวิตจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายแล้วพอไปชักชวนให้เขารอง ไปช่วยเหลือคนที่ลําบากปรากฏว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนเลยความเบื่อความเซ็งความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวหรือว่าความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายมันหมดไปมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งแกเป็นเป็นเกอิชาชีวิตแกลําบากแล่นแค่ตั้งแต่เล็ก เมื่อสักร้อยเมื่อ้อยปีก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงเนี่ยเขาซื้อขายกันได้พ่อแม่ยากจนก็ขายลูกนะแกก็อยู่แบบลำบากนะคนที่เลี้ยงดูแกก็ไม่ได้รักก็ใช้ชีวิต อ, อย่างวีบากลำบากไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าตอนหลังก็มาทางานในสานักเกอิชา ตั้งแต่เล็กพอโตขึ้นมาก็ก็ให้ทำงานนะเป็นเกยชาชีกก็เรียกว่าลำบากมาตั้งแต่เล็กพอเป็นเกย์ชาก็ไม่ได้วาสดวกสบายนะถูกกดถูกขี่ถูกเย็ดยามตอนหลังก็น้องชายตาย เสร็จแล้วก็คนรักก็ตายตัวชื่อนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายตอนนั้นเนี่ยเกียวโตนเนี่ยมันเป็นหน้าหนาแวแกก็เลยเดินเข้าไปในป่าที่มา ก, ก็กองทับถมกะว่าจะไปตายในป่า ทมกลางความหนาวก็มีบังเอิญมีชาว บ, บ้านคนหนึ่งไปเจอเข้าแล้วก็ช่วยเขาคุณลุงคนนี้แกก็ถามว่าทำไมถึงอยากฆ่าตัวตายก็ผู้หญิงก็เล่าให้ฟังว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมชีวิตนี้มันลำบากแรดแค้นไม่มีคุณค่า แล้วลุงนี้แกก็พูดดีนะก็บอกว่าคนที่คิดถึงแต่แ ต, ตัวเองเนี่ยอยากตายทั้งนั้นแหละแกบอกว่าเนี่ยน่าจะใช้เวลาที่มีอยู่นะแกบอกว่าเนี่ยอยากจะแนะนำสักอย่างหนึ่งนะอยากจะแนะนำให้ผู้หญิงเนี่ยคนนี้เนี่ยทุกวัน ไปช่วยใครสักคนที่เดือดร้อนเอาแค่คนเดียวพอนะและถ้าช่วยทำไปสักระยะหนึ่งแล้วยังอยากฆ่าตัวตายก็ให้มาบอกแกนะแกช่วยให้ตายสมใจเอาผู้หญิงคนนะี้แกช่วยอีวาสกินะแกก็ได้คิดขึ้นมา ก็เลยเปลี่ยนใจกลับไปเป็นเกจีชาเหมือนเดิมแต่ว่าทุกวันแกก็จะไปช่วยคนสักค น, นก็เลือกเอาเด็กที่ยากจนที่เคยมีชีวิแลนดนแคดเหมือนแกซื้อหนังสือให้คนญี่ปุ่นนี่เคารักการศึกษามากนะอันเด็กยากจนก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แกก็ซื้อหนังสือให้ ตอนหลังไม่ในเสื้อเฉยสอนให้อ่านออกเขียนได้ด้วยแล้วปกบว่าแกก็ไม่คิดกลับไปฆ่าตัวตายกันเลยนะเพราะว่าแกรู้สึกว่าช่วยแกมีคุณค่ามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะอันนี้ก็เป็นที่มาของของหนังเรื่อง d i a r รีย a p a g ชาเพราะว่าแกเขียนเป็นบันทึก ปรวัตแกส่วนตัวแกและ้ะฝรั่งก็เอาไปทําเป็นหนังเป็นเขียนเป็นนิยายแล้วก็ทําเป็นหนังเมื่อทักเกือบสิปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่มีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่แค่ให้ทานหรือว่าสละเงินทองนะแต่ว่าสละแรงกายในเมืองไทยมีหลายคนนะมีนักศึกษาบางคนที่เขา เบื่อเป็นเด็กกาพร้ารั้วสวไม่มีใครรักเลยชชยคิแบบล่องลอยเที่ยวเพื่อเที่ยวกับเพื่อนเป็นประจำเป็นนักศึกษาแล้วก็มีช่วงหนึ่งซัมเมอร์นี้เพื่อนๆ น, นี่ไปเมืองนอกกันหมดตัวเองเคงว้งคว้างมีคนชวนไปเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาช่วยเด็กที่ บ้านปักเกร็ดนะศูนยะ์ปักเกรดนี่มีเด็กที่ถูกทิ้งเป็นจำนวนมากตั้งแต่สามสี่วสามสี่เดือนไปจนถึงเจนะ็ดแก้าวขวบอาสาสมัครเขาต้องการมากเพื่อไปเล่นไปอุ้มไปเลี้ยงเด็กสุดแท้แต่วัยเขาก็ได้ไปช่วยเป็นอาสาสมัครนะเล่นกับเด็กแล้วเขาสูว่า การไปที่นั่นเนี่ยมันมันให้คุณค่าความหมายกับจิตใจเขามากเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยคิดจะรักใครได้เพราะว่ากำพร้านั่นแต่เล็กแต่ว่าเด็กมันเด็กที่มันเจอเด็กทําให้ปลูกความรักขึ้นมาในใจทําให้เขาเนี่ยอยากจะช่วยเหลือเด็กเด็กเรียกเขาว่าพ่อเขาก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า รู้พอจิตใจแล้วการเติมเต็มแล้วก็เปลี่ยนไปเลยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าชีพผมเนี่ยชีพผมเปลี่ยนได้เพราะเด็กเจ็ดขวบเด็กเจ็ดขวบคือเด็กที่เรียกเขว่าพ่อนะที่เห็นเขาแล้วก็ดีใจก็รสึกว่าชีวิตเขามีคุณค่ามีความหมายรู้สึกว่าได้รับความรัก จากการที่ให้ความรักเด็กเด็กก็ให้ความรักกับเขาอันนี้เป็นเรื่องของการสละเหมือนกันนะการให้ความรักการให้น้ำใจก็ทำให้มีความสุขมันสุขกว่าตอนที่เขาไปกินเหล้าไปเที่ยวห้างไปเล่นกับเพื่อนอย่างเทียบกันไม่ได้นอกจากการให้ทานการสละ การสละสิ่งของหรือว่าการสละแรงงานและน้ำใจแล้วเนี่ยการสละความโกรธอันนี้ก็ช่วยได้เยอะความโกรธเนี่ยนะส่วนใหญ่เวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ค่อยรู้จักสละหรอกเก็บเอาไว้ประครบประงมองเอาไว้คนชวนให้ให้อภัยก็ก็ไม่ยอม จะขอโกรธต่อไปนะไม่ยอมให้อภัยการสลบความโกรธหรือการให้อภัยเนี่ยก็เป็นวิธีแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะดยนี้พูะเจ้าเนี่ยถึงสอนให้รู้จักแผ่เมตตาแล้วก็ให้อภัยเวียนยอมไม่ระงับด้วยการจองเวนนะอันนี้ก็เป็นพทุทธพจิทีตัดไม่นานแล้วนะ ก็เป็นการสละอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งสำคัญมากที่ช่วยให้เรามีความสุขมีความสงบเย็นหลายคนเนี่ยถือกติว่าบุญคุณต้องตอบแทนความแค้นต้องชำระแก้แค้น2ี่สปีก็ไม่สายอันนี้ก็เป็นความคิดที่ว่ามันต้องเก็บเอาไว้นะไม่เห็นว่าการสละออกไปเนี่ยมันทำให้ใจสงบอย่างไรบ้างนะ แล้วคนที่ไม่รู้จักสลาะความโกรธหรือความเกลียดเนี่ยนะชีวิตจะจนมันก็ตกนรกนะเพราะว่าจิตใ จ, จก็รุมร้อนหรือว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์ร่างกายก็แย่ความดันขึ้นหน้าดำคล่ำเคร่งแค่เพียงแค่เรารู้จักสละไปนะไม่ใช่สละเฉพาะสิ่งที่เราชอบหรือห่วงเช่น เงินทองข้าวของแต่สละสิ่งที่มันเป็นอกุศลก็สำคัญนั้นเมตตาภาวนานะการแหบภัเนี่ยนะมันเป็นคุญแจที่นำไปสู่ความสุขได้พูะอาจาย่ยังสอนให้สละอย่างอื่นด้วยนะสละความคิดฟุ้งซ่านสละความยึดติดถือมั่นคนเราทุกข์เพราะความคิด นะทุกข์เพราะการปรุงแต่งในจิตเป็ดอารมณ์ต่างๆมากมายนอกจากความโกรธแล้วนะให้ความฟุ้งซ่านอย่างอื่นก็ทำให้คนเราทุกข์มากรวมทั้งความโลภความอยากได้ถ้าเราสลากไปนะมันก็จะช่วยให้ใจเราสงบเย็นนะการเจริญสติการทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันเป็นวิธีช่วยให้เรา สละหรือว่าสลัดไออารมณ์ที่รบกวนจิตใจได้ดีมากแล้วมันทําไม่มีความสุขนะยิ่งกว่าการที่ได้เสพได้บริโภคนะในพุทธ ก, กาลนี่มีเรื่องราวของคนจำนวนไม่น้อยเลยที่เคยมีชีวิตที่ฟูฟืารู้ลาร่ำรวยนะ มีสิ่งแสบสิ่งบริโภคนะแต่ว่าก็หาความสุขไม่ได้จนกระทั่งเมื่อได้ละวิถีชีวิตแบบนั้นมาอยู่แบบเรียบง่ายสมถะมาทำสมาธิภาวนาเนี่ยกับพบความสุขอย่างราชาองค์หนึ่งเนี่ยชื่อพัทถยะยมาบวชก็เพราะว่าไม่ได้ศรัทธาเลยเลยนะแต่ว่าเป็นพระญาติพระพุทธเจ้าทางราช สกุลศักยาก็อยากจะให้คนในวงตระกูลได้ไปบวชกับพระพุทธเจ้าจะปฏิญาณนี้ก็ก็ไปเพราะว่าเพื่อนชวนแต่ว่าเมื่อได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็พวกความสุขวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ลํำพึงขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอ มีเพื่อนพระมาเห็นมาได้ยินก็สงสัยว่าพระพัตยานีกำลังคิดถึงอดีตสมัยที่เป็นกษัตริย์เป็นราชาก็เลยไปถุนพระพุทธเจ้า่าสงสัยพระพระพัตยพานีคิดจะศึกแล้วมั้งพระพุทธเจ้ารู้นะภูมิธรรมของพระพัตยาณว่าที่จริงท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยเรียกมาคุยก็ สักถามเพื่อให้พระด้วยกันได้รับรู้พนะระพระเทวยก็ตอบว่าเนี่ยที่ว่าสุขหนอสุขหนอเนี่ยนะไม่ใช่ลาพึงถึงอดีตสมัยที่เป็นพระราชานะแต่ว่ามีความสุขกับสภาพที่เป็นอยู่นะเพราะว่าสมัยตอนที่เป็นราชาเนี่ยแม้ว่าจะมีข้าทาสบริวารมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีองครักษ ก็ยังมีความสะดุง้งมีความกลัวในพยันตรา ย, ลายแล้วก็ไม่มีความสุขเลยนะกับบัลลังก์ที่มีแต่ขั้นมามีชีวิตนะเป็นส ม, มณะถือครองบริขารแค่8ดชิ้นอยู่ด้วยบินทบาทวัลละมือนะไม่น่าจะสุขได้นะเพราะว่าไม่มีสิ่งเสพเลยแต่มีความสุขเพราะอะไรเพราะได้สลันะได้ ได้วางให้ความยึดติดถือมั่นเรียกว่าท่านสละกิเลสได้หมดละก็เลยมีความสุขเป็นสุขที่เที่ยมไม่ได้กับตอนที่เป็นพระราชาและนี็เป็นตัวอย่างคนที่พบความสุขไม่ใช่เพราะการมีการได้นะแต่เพราะการสละและสิ่งที่สาคัญคือก็สละความยึดติดถือมั่น อย่างที่เราได้ส่วมดมนต์เมื่อสักครู่เนี่ยนะเรื่องอาภารสุตตะขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขของหนักแต่ที่นี่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นของหนักที่เป็นวัตถุนะแต่เป็นของหนักในใจที่เกิดจากการไปยึดไปแบกเอาไว้ยึดมันถือมันว่านี่เป็นของเรานะนี่ร่างกายของเรานี่ทรัพย์ของเรา ในความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละที่มันเป็นของหนักนะเวลาร่างกายนะเริ่มแก่ชารามีผมงอกฟันฟางเริ่มหลุดจิวหนังเหี่ยวย่นทุกข์ละนะหรือบางทีมีเป็นแค่แค่มีสิวนะก็ทุกข์ละทั้งที่มันไม่ได้ทําให้เจ็บปวดอะไรเลยที่พับไปแบกนะ ไปแบบประยึดในร่างกายนีว่าเป็นเราเป็นของเราหรือประยึดให้มันเที่ยงในการสลัดสิ่งเหล่านี่ออกไปจากใจเรียกว่าปล่อยวางมันเป็นเป็ น, ป น, ปนที่มาแห่งความสุขอย่างแท้จริงการศสตร์อย่างสิ้นเชิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตันหาวิชาหรือกิเลสเนี่ย ทำให้เกิดความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่รอความสงบสงบเจน็นอีกชื่อหนึ่งว่านิพพานนิพพานหมายถึงการหมายถึงความสงบเย็นที่เกิดจากการที่ได้สละออกไปนั่นจะเห็นได้ว่าวิธีชาวโลกกับวิธีทางธรรมเนี่ยมันต่า ง, างกันตรงข้ามกันเลยก็ว่าได้ในเรื่องความสุข วิถีชาวโลกนี่ต้องมีเยอะๆต้องได้มากๆแล้วต้องได้เรื่อยๆยังจะมีความสุขแต่ว่าในทางธรรมแล้วเนี่ยการสละออกไปเริ่มจากสละสิ่งที่เป็นของนอกตัวคือวัตถุสิ่งของนะแล้วก็สละสิ่งที่อยู่ในใจก็คือกิเลสนะความยึดติดถือมั่นสิ่งนี้แหละเนี่ยจะเป็นที่หมายาความสุขอย่างแท้จริง ลองทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ดีนะแล้วก็ลองถามตัวเราเองว่าให้ความสุขที่เรามีเนี่ยมันเป็นความสุขที่เกิดจากการได้มากๆหรือว่าเราเคยได้สัมผัสรับรู้รสชาติของความสุขที่เกิดจากการสละออกไปไหมน่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถ้าไม่ได้รับรู้ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการละการสละเนี่ย มันจรียกว่าเสียชาติเกิดก็ได้นะเพราะเป็นความสุขที่ประเสริฐมากยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นทุกข์ถ้าไปยึดมันแต่ถ้ามีโดยไม่ยึดอันนี้ก็เป็นสุขได้นะอย่างพัศยวรีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่เต็มไปด้วยลาบนะเดี๋ยวนี้คนไทยเรานิยมเคารพสักการะพระัศยวรีมาก ท่านเป็นพระาหารหันที่เป็นเอตทักคะด้านการมีลาภไปที่ไหนก็มีคนถวายของประณีตให้ไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือว่าเทวดามารพุ่มถวายพระเจ้าอยางสู้ไม่ได้เล ย, ยเวลาไปเวลาจาริกไปในที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดทางแยกสองทางมีขาหนึ่งทางแยกหนึ่งเนี่ยเป็นทางไกล แต่ว่ามีคนอาศัยอยู่อีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นทางรัฐแต่ว่าไม่มีคนอาศัยอยู่พระเจ้าถามว่าพระเสวีมาด้วยหรือเปล่าพอหลวพระเสวีมาด้วยพระเจ้าตัดสินใจไปทางสายสายที่รัดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าเพราะกว่าสายนั้นนี่นอกจากจะไปถึงเร็วแล้วยังมีคนมาถว า, าย สวรรลาบนะอาหารของประ น, นีตตลอดทางเลยอันนี้เพราะอนุภาพของพระศิวลีซึ่งพระสุตจ้าเองนี่ก็ทุ่สู้ไม่ได้นะแต่ว่าพระศิวลีนี่ท่านมีลาบเยอะยิ่งแต่ท่านท่านไม่ยึดดังนั้นท่านสละท่านปล่อยวางอภิษฎศาสนาก็ไม่ปฏิเสธนะการปฏิเสธเรื่องลาบนะแต่ว่าต้องไม่ยึดต้องรู้จักสละออกไป ยิ่งสละเท่าไหร่ทั้งโดยอาการกริยาแล้วก็ด้วยข้างในใจคือไม่ยึดติดถือมั่นนะก็ยิ่งมีความสุขให้เรารู้จักนะความสุขแบบนี้บ้างเริ่มจากการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็การบรรเป็นภาวนาเนะจริญสติทำสมาธิจากแล้วก็ขึ้นวิปัสสนามันก็จะช่วยรื้อถอน ช่วยสละกำจัดความยึดติดถือมั่นทั้งตัวออกไปแ ล, แล้วเราก็จะพบกับความ ส, มสงบเย็นเบาสบายแล้วก็คำนี้ก็พูดกันเท่านี้ออกครับ